พอเราได้เดินทางนะจากเมืองไทยมาบูทานจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนกับเดินทางจากโลกหนึ่งมาสู่โลกหนึ่งนะจากโลกซึ่งเร่งรีบนะนะต้องทําเวลานะแล้วก็ชีวิตก็เต็มไปได้วยความว้าวุ่นมาสู่โลกที่เป็นไปอย่างเนิบช้านะอย่างที่จะมา พูดเมื่อวานว่าชื่อตคนที่นี่เนี่ยเหมือนกับเข็มชั่วโมงเข็มสั้นะดูมันขึ้ขื่อนเคลื่อ น, นไหวช้ามากเลยแต่ชื่อของเราที่กรุงเทพหรือว่าที่เมืองไทยมันเ็เข็มวินาทีเร็วมากเลยนะมาจากโลกซึ่งเต็มไปด้วยเสียงอึกทึกนะคึกโครมนะเราก็มาสู่โลกซึ่งเงียบสงบโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนเงียบมาก จากโลกที่เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่องแสงสีนะมาสู่โลกที่เต็มไปด้วยธรรมชาติแล้วก็เสียงนกร้องนะเสียงสายน้ําเสียงลมนั่นะเรียกว่ามันเป็นคนละโลกไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าพูดอย่างเงี้การเรเวลาเนี่ยมันก็ว่าเราย้อนยุคนะเรา เรามาสู่โลกซึ่งถอยหลังกลับไปเนี่ยยังไม่มากกว่าห้าสิบปีในบางแง่นะเพราะอย่างที่เราทราบเนี่ยที่ไกด์เขาบอกเราเมื่อวานเนี่ยนะทุนนบัติเนี่ยก็เพิ่งมีเมื่อปีสองพันสิบเจ็ดี่เองใช่ไหมสนามบินก็เพิ่งมีมาทั้งสาสิบปีมา น, นี่เองใช่ไหมการเก็บภาษีด้วยตัวเงินแทนที่จะเป็นสวยเนี่ยนะก็เพิ่งมีเมื่อทั้งห้าสิบปีมา น, นี่เองน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรา กลับมาสู่โลกซึ่งเ พ, พ, พิ่งออกมาจากยุคยุคโบราณนะมาสู่ยุคสมัยใหม่และจริงมาคือเราจากโลกหรือว่าดินแดนแห่งความสุขประเภทหนึ่งมาสู่ดินแดนแห่งความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ที่เมืองไทยเนี่ยผู้คนมีความสุขนะพอเขามีสิ่งเสพมี นะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะมีโทรทัศนะ์มีคอมพิวเตอรนะ์มีสิ่งบรรเทิงเริงรมแล้วก็มีห้างสปปรรพสินค้ามีแสงสนะีหลายคนอาตมาเชื่อว่าพอมาที่นี่เนี่ยก็คงจะแปลกใจว่าคนที่นี่เขาไม่ค่อยเาไม่เขา ไ, ไ, ไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะ อย่างที่เรามีแล้วเขามีความสุขได้อย่างไรเรารู้แน่ๆว่าเขามีความสุขนะเพราะว่าจากเสียงที่เราได้ยินหรือจากผู้คนที่เราได้พบสัมพันธ์ก็ามีความสุขแต่นี้เมื่อเไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างที่มีกันที่เมืองไทยเนี่ยแล้วเขาความสุขมาจากไหนนะอาตมาคิดว่านี่เป็นคาถามซึ่งน่าคิดนะเอาความสุขมาจากไห น, นเ น, มนนะ เ, เ ม, ม, าานมื่อเขาไม่มี ไม่มีสิ่งต่างๆนะที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ความมันะ่นคงร่มร่มเขามีความสุขแน่นะแต่เป็นเป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งนะซึ่งมันไม่ได้อิงอาศัยวัตถุแต่เป็นความสุขที่อาตมาเชื่อว่าเกิดจากการที่เขาได้มีชีวิตที่ประสานกลมกลืนราบรื่นนะกับธรรมาชาติกับผู้คนในชุมชน สายสัมพันธ์ที่นั่นแฟนในครอบครัวแล้วก็รวมทั้งาการที่เขาได้มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งช่วยน้อมนำใจใเขาเกิดความสงบความสุขจากโลกที่เราพึ่งมาในมรรทิเมื่อทิฏฐิลัาเป็นโลกมาเป็นความสุขที่ต้องอาศัยสิ่งเรากระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นนะเพราะว่ามันต้องอาศัยสิ่งที่เรา ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนะแต่ว่าความสุขของคนที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งเรา่ามันแทบจะไม่มีอะไรจะเล้าเลยเงียบนิ่งสงบแต่นั่นแหละคือประเด็นนะความสงบนี่แหล ะ, ะมาเป็นความสุขที่ที่หล่อเลี้ยงนะคนที่นี่ซึ่งในสายตาของคนที่มาจากโลกสมัยใหม่เนี่ยก็ อ า, าก็คงยโสืโ่อี้งข้อนี้มันช่างอาจจะดูหน้าเบื่อนะแต่เราก็รู้ว่าเขามีความสุขนะและความสุขเขาก็เนี่ยก็มาจากสิ่งเนี้แล้วเนี่ยเกิดจากความสงบเกิดจากชีวิตที่บันสารกลมกลืนรอบราบรื่นไปกับไปกับธรรมชาติไปกับผู้คนเนะมื่อวานเนี่ยตมาก็ ก็สังเกต น, นะซึ่งก็เคยได้พูดไปเมื่อวานเมื่อตอนควาวำสังเกตคุณยายคุณป้าเนี่ยที่แกก็นั่งอยู่อยู่ในในโบสถ์แกก็นั่งอยู่ทั้งวันเนี่ยแล้วแกก็สวดหมดแล้ว ก, ก็หมุนกงล้อ ม, มนตาไปเรื่อยแกอยู่ได้นะอย่างมีความสุขพอสมควรนะถึงแม้ว่าแกอาจจะรู้สึกเมื่อยนะเนะพราะว่าแกยู่มากอ น, นี้เป็นความสุขซึ่ง อตาตมาคนสมัยใหม่นี่ไม่เข้าใจจะมาสุบได้ยังไงว่านั่งนิ่งๆเนี่ยนะอตาตมาคิดว่านี่มันสะท้อนได้ถึงจิตวิญญาณนะมันเป็นจปีวิญญาณที่ที่สืบทอดกันมาช้านานนะผ่านศาสนาผ่านวัฒนธรรม็กนะมาคิดว่าเวลาพูดถึงศาสนาเนี่ยหรือว่าจิตวิญญาณเนี่ย สาระของมันเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะก็คือว่าหนึ่งมันสามารถทําให้เราอยู่กับตัวเองได้มีความสุขสองมันสามารถทําให้เราสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างราบรื่นนะแก่นสารของของของจิตวิญญาณหรือสาระของศาสนาเนี่ยเดีย๋ยวพุทธศาสนาเนี่ยต้อมาว่ามันมีแค่สองอย่างคือหนึ่งอยู่กับตัวเองมีความสุขและสองสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วย ได้อย่างราบรื่นด้วยความไม่ตากรุณาอย่างที่เราพูดเมื่อวานแล้วทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้คนเนี่ยตามมีจิตเนี่ยโยงไปสู่สิ่งที่เขาถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดในทางนามธรรมถ้าทางถ้าเป็นพุทธะว่าก็คือนิพพานนะหรือว่าถ้าใกล้มาจะเป็นดินแดนสุขาวดนะีหรือว่าความเชื่อในเรื่องของภาวะที่มันมัน มาลึกซึ้งนะล้วคนคนที่เบนไอ้คนผู้ฐานเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องเนี่ยเรื่องสิ่งสูงสุดในทางนมามธรรมเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบมีความสุขและสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยความเมตตากรุณาอตรมาะี่ว่ยมันเป็นเรื่องยากนะการที่คนเราเนี่ยจะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขเนี่ยอย่างที่ คนเท่าคนแก่หรือคนหนุ่มสาวที่เราเห็นตามทางหรือแม้กระทั่งเมื่อวานเนี่ยเพราะจะเป็นคนอย่างคนเมืองเนี่ยนะจะอยู่ไม่ได้นะก็ต้องกระสับกระส่ายนะเว้นแต่จะมีสิ่งบางสิ่งมาสะกดเช่นมีโทรทัศน์มีวิทยุหรือว่ามีโทรศัพท์มือถือนะถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะรู้สึกกระสับกระส่ายจะว้าวุ่น การอยู่กับตัว เ, เป็นเรื่องยากมากเพราะว่าความคิดมันจะฟุ้งกระจายทำให้ไม่สามารถจะอยู่นิ่งๆได้มันต้องออกไปอ่ะออกไปคลุกเคียวผู้คนออกไปเที่ยวห้างออกไปทาอะไรก็ได้ที่เป็นการหนีตัวเองแล้วเราก็เรียกสิ่งนั้นว่าการหาความสุกกินอาหารที่อร่อยได้ฟังเพลงเพราะตามตามห้างแต่เรื่องื่องมาสะท้อนเหนว่าคนเราเนี่ย ไม่สามารถจะอยู่กับตัวเองได้ยังมีความสุขได้อย่างนิ่งสงบต้องอาศัยสิ่งเราภายนอกแต่คนเหล่านี้เนี่ยนะคนที่นี่เขาอยู่ได้เพราะหนึ่งเขาอาจจะสวดมนต์ก็กำลังตามลมหายใจทำสมาธิหรือว่าเขาอาจจะกำลังภาวนาซึ่งอันนี้มันก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากศาสนาพุทธศาสนาที่ช่วยทาให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองได้ แล้วก็มีความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถจะอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเพราะว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่เบียดเบียนนะมีเมตตากรุณาซึ่งประเด็นนี้เราก็พูดกันเมื่อวานเนี่ยว่าคนที่นี่ก็มีเมตตากรุณามากนะทั้งกับสัตว์แล้วก็กับผู้คนนะเอื้อเฟื้อเกอื้อกูลนะไม่ว่าจะเป็นคนในชุมชนหรือว่าพวกเราซึ่งเป็นแขก แมาคิด ว, ว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะในอดีตเนี่ยมันก็คืออนเนี่ยมีแค่สองอย่างนั้นแหละคือการที่เราสัมพันธ์กับตัวเองได้จิตวิญญาณเป็นเรื่องการที่เราสัมพันธ์กับตัวเราเองอย่างมีความสุขแล้วก็อย่างเจริญงออย่างงดงามเราไม่ทําลายตัวเองนะสมัยนี้เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยทําลายตัวเองนะทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ ต้องมีอะไรมาสะกดจิตให้อยู่นิ่งๆหรือว่าหรือม่ทั้ต้องปล่อยใจให้มันลอยไปอยู่กับโลกที่สร้างขึ้นมาในจินตนาการหรือว่าโลกที่เกิดจากสื่อแสงสีนะออนไลน์เทคโนโลยีสารสนเทศนะแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองจนกินไม่ได้นอนไม่หลับหอให้ความเครียดครอบงำพอให้ความโกรธความเกลียดความอยาก มันบีบคั้นจิตใจอันนี้เป็นเป็นเป็นสภาวะที่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากโดยเพราะจากโลกที่เราเพิ่งมาเพิ่งจากมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะสัมพันธ์กับตัวเองได้อย่างอย่างอย่างสงบอย่างเ อ, อื้อเฟือเกอื้อกูลแต่ทําร้ายตัวเองเราทําร้ายตัวเองถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มี ความรุนละทางจิตวิญญาณแล้วก็จะทำลายตัวเองนะด้วยความคิดฟุ้งซ่านปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำารือนะไม่ชนะล้วก็ไปสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไม่สร้างสรรค์แข่งขันเอาเปรียบอิจฉาขัดแยง้งนะเดี๋ยวนี้หลายคนก็มีทุก์เวลาไปทำงานหลายคนสุขเป็นทุก์เวลาอยู่บ้านหลายคนเป็นทุ ก, กับเพื่อนบ้านนะ แล้วก็เป็นทุกข์กับสิ่งแวดล้อมนะที่มันเลวร้ายย่ำแย่ลงเพราะว่าการที่เราไปทําลายธรรมชาติตจนก็ะทั่งเกิดมลภาวะอันตราว่าถึงที่สุดเวลาพูดจิตวิญญาณเนี่ยนะมันดูเป็นคําที่ยากนะดูเป็นคําที่บางทีเข้าใจบางคนส่วนเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงแล้วมันมันใกล้มากมันมีความหมายสารธรรมมีแค่สองอย่างนั่นแหละคือนึ่มาช่วยทําให้เราสัมผัสกับตัวเองได้อย่างมีความสุข และอยู่กับพู้ื่นอย่างราบรื่นที่อเมริกาเมื่อสักห้าสิบหกสิบปีก่อ น, นมีลามะคนหนึ่งนะชื่อลามะเยเช่ลามะเยเชนเนี่ยนะเป็นพระทีเบรที่แก่แล้วก็หนีจากหนีจากที่เบมามามาอินเดียแล้วต่อหลังก็ได้รับเชิญให้มาบรรยายที่อเมริกาลูกสิลูกหายเยอะที่น่าแปลกคือลามะเยเช่พูดอังกฤษไม่ได้ แกแกมีชื่อก่อนที่ก่อนที่โชเกียวแล้วก่อนที่ตุงป้านีิจะเป็นที่นิยมนะเป็นที่เป็นที่รู้จักก่อนที่ก่อนก่อนชุนป้าเนี่ยคือลามะเยเช่แกเป็นคนซึ่งเกิดทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยเห็นเครื่องบินไม่เคยเห็นรถยนต์ไม่เคยเห็นโทรศัพท์แต่ทําไมพอมาอเมริกานะกลับสามารถที่จะสื่อธรรมะให้คนเนะี่ยเข้าใจแล้วรู้เรื่องได้ทั้งที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยลูกศิษย์ลู ก, ลกหากันเยอะมากคนก็สงสยัย แล้วก็สามารถที่จะดึงให้คนอเมริกันโดวยว่าคนหนุ่มเนี่ยหันมาสนใจสมาธิภาวนาหรือพ่อวิปัสสนาค้ก็สงสัยสอนสอนวิปัสสนาให้คนได้ยังไงนะรามาก็พูดอังกฤษไม่ได้ไม่เข้าใจโลกสมัยใหม่รามาเฉยเฉยก็บอกว่ามันไม่ยากอะไรนะจะทำวิปัสสนาที่มีแค่สองอย่างเ้างพอหนึ่งมีลมหายใจมนะมออีสองมีแม่ตากรุณาไห ถ้าคุณมีสองอย่างคุณทำวิปัสสนาได้นะและเราไม่ใช่คติบายว่าลมหายใจเนี่ยมีไว้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีใจสงบนะหรือที่ที่จะมาพูดว่าทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองได้สามารถที่ทำให้เราสัมผัสกับตัวเองได้ยังมีความสุขส่วนเมตตก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสัมผัสกับผู้อื่นได้อย่างมีความหมายแล้วก็อย่างราบรื่นนะ พุทธศาสนาเนี่ยในทัศน์ของเราไม่เช่มีแค่สองอย่างนในเรื่องการปฏิบัตินะหนึ่งคุณอยู่กับตัวได้มีความสองคุณสมาบักับพู้อื่นได้อย่างอย่างราบรื่นแค่เนี้พอละแล้วเราไม่เช่ก็ใช้หลักเนี่ยนะสอนคนอเมริกันนะจนกรทั่งคนอเมริกันเนี่ยหันมาสนใจสมาธิพอแนละตอนหลังก็มาตอนหลังก็มีทุงปะมาะคนก็ยิ่งทุ่งปะที่ฉลาดนะในการที่จะพูดเรื่องที่ซับซ้อนเราไม่เช่ี่ไม่ไม่สอนเรื่องไม่สอนเรื่องอเองพลิดเพลเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นโพวาทองเลนหรือว่าชกซกเชนไม่สอนเรื่องอริยสัจสี่ปฏิจจสุบาทแลวไม่ใช่ไม่สอนทำแค่สองอย่างใช่ไหมแล้วคนคนมริการเข้าใจนะเรื่องเรื่องภาวนาเนี่ยนะแล้วยิ่งพอมีจุงป่กเข้ามาจุงป่านี่ก็เขาก็มีความความลึกซึ้งความฉลาดเฉลิในเรื่องของปรัชญาแบบพุทธมันก็สามารถจะดึงพวก พวกมีการศึกษาให้มาสนใจพุทธศาสนาเขาพับธงป่าพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทธงป่าพูดเรื่องอ่าอกนัตตาเนี่ยนะแต่เยแล้วไม่เช่อทำได้แค่ทาพูดแค่สองอย่างนะทั้งที่ความรู้ของําให้เช่อนี่เยอะสูงมากนะแต่รู้ว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยสองอย่างเนี่ยสาระสาระธรของศาสนาในพุทธศาสนาเนี่ยมีแค่สองอย่างนะ เราคิดว่าเราเพิ่งจิตวิญญาณใหม่นะมันไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรมากไม่ใช่เรื่องลี้ลับนะก็คือช่วยทําให้คนเนี่ยอยู่กับตัวไดงมีความสุขเห็นไหมคนพบความสุขจากภายในคนพบว่าทุกเนี่ยนะความทุกข์ใจไม่ได้เกิดจากใครเกิดจากใจที่ที่วังไว้ผิดนะแล้วเกิดจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ที่ไม่รับรื่น คนเราเนี่ยถ้าสัมพันธ์กับเพืดเ่ด้มีความฝืดมีความราบรื่นนะครับความสุขกันมาเองแต่มันจะมันจะมีอย่างลึกซึ้งมากขึ้นถ้าเราสามารถจะเข้าถึงแก่นแท้ของความสุขภายในใจของเรานถ้าเราพบว่าจริงแล้วเนี่ยความสุขเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเช่นเดียวกันความทุกข์ก็อยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นมันมี ลาไม่คนนึ่งนะอันนี้มีชื่อกูเดนนะเป็นเป็นลาเป็นริปโอเชีใหญ่นะที่ทิเบตตอนที่จีนะียเข้ามายึดครองและลปปริโอเชียนี้เนี่ยไม่หนีนะทาราม่าเนี่ยห น, นีอยพยพใช่ไหมแต่ปปริโอเชีนี้ไม่หนีก็ถูกจับถูกจับแล้วถูกทรมานขังคุกยี่สิบปี 20ปีหย20ปีถูกทรมานนะเพราะว่าไม่ยอมทำตามคาสั่งของคอมมิวนิสต์นะคอมมิวนิสต์ต้องการต้องการทำลายพุทธศาสนาต้องการให้สอนตามนิยบายของพรรคแล้วพอเขาออกมาพ อ, พอพอคน20ปีเนี่ยออกมาจากคุกตอนหลังเนี่ยลิมโบเชนี่ก็รีภายมาอินเดีย มาถึงธรรมศาลาไทรรัมมก็ดีใจเพราะว่ารู้จักท่านมีชื่อมากตอนนั้นท่านก็งอมแล้วล่ะแก่แล้วล่ะนะก็คงจะเจ็ดสิบได้แล้วไท่รัมาก็ไปสัมภาษณ์คุยกันไปคุยกันมาก็ถามว่าตอนที่ท่านถูกจับเนี่ยนะอะไรที่ท่านกลัวมากที่สุดแทนที่ท่านจะตอบว่ากลัวถูกทรมานท่านบอกท่านกลัวว่าท่านจะไปโกรธและไปเกลียดเขา ไม่มีคํําคาตอบนี่มันเป็นคําตอบที่ไม่มีใครคาดคิดนะกลัวที่จะไปโกรธเกลียดเขาทาไมเพราะว่าหนึ่งนะอันนี้อาตมาพยายา ม, พยายามพยายามทำความกระจาจนะหนึ่งเพราะท่ารู้ว่ า, าท่านตัโกรธเกลียดเขาเนี่ยท่านจะผิดศีลอย่าง่ายและการผิดศีนี่นะมันคือการทําลายตัวเองใช่ไหมพระเจ้าบอกว่าคนผ่านปัญญาสามย่อมทางประตูเหมือนเป็นศัตรู นะคุณผ่านปัญญาศาตร์คนที่ผิดสีเนะี่ะพูดง่ายถ้าคุณผิดสีเนะี่ยคุณกาลังสร้างความทุกข์ใส่ตัวนะคุณไม่ได้เพียงแค่ไปทําคุณไม่เพียงแค่ไปเอาเปรียบเขาไม่เพียงแต่ไม่คนเดือดร้อนนะแต่คุณกำลังทําลายตัวเองประการที่สองเนี่ยริบอชยท่านนี้ท่านท่ารู้ว่าถ้าท่านถ้ารู้ว่าทหารจีนเนี่ยทําได้อย่างมากก็แค่ทําให้สร้างความทุกข์ทรมารให้กับร่างกายของท่าน สร้างความทุกข์ให้กับกายของท่านแต่ฐานจิตไม่สามารถจะทำให้ท่านทุกข์ใจได้ฐานจิตไม่สามารถทำร้ายจิตใจท่านได้ทำร้ายได้แต่ร่างกายแต่า่านจิตที่ท่านโกรธและเกลียดเมื่อไหร่นี่นะท่านกาลังทำาลายตัวเองเพราะฉะนั้นท่านจึงพยายามรักษาใจไม่ให้โกรธและเกลียดคนที่ทรมานท่านอันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเนพราะท่านตระหนักเลยว่า คนเราเนี่ยสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ใครทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นเพราะคนอื่นอันนี้หมือนทุกข์ใจนะถ้าทุกข์ใจเพราะเราเองปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาเล่นงานติตใ จ, จนะนวิธีที่จะทําให้เรามีเราเป็นอิสระจากความทุกข์ใจนะก็คือการที่เรารักษาใจของเราอันนี้ก็อาตมาถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งของการที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองมีความสุข ช่วยทําให้เราเนี่ยช่วยทําให้เราไม่เบียดเบียนตัวเองนะถึงสุดเนี่ยถ้าจะพูดอีกภาษา อ, อีกคำคำโบราณเนี่ยนะพุทธศาสนาก็มีแค่สองอย่างหนึ่งไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมถ้าอาจารพุทธะพูทถางมาร่วมสมัยหน่อยคือว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใช่ไหมสองอย่างแค่นี้ยพื่อศาสนามีแค่สองอย่า ง, างสงบเย็นเป็นประโยชน์สงบเย็นเป็นเรื่องภายในนะ คุณจะอยู่กับตัวได้มีความสุขคุณต้องสงบเย็นนะแล้วคุณต้องเป็นประโยชน์คือไม่ไปเบียดเบีย น, นเขาแล้วก็มีเมตตากรุณาฉั้นเราคิดว่าเวลาพูดถึงจิตวิญญาณเนี่ยไม่ว่าเก่าหรือใหม่นะมันมีแค่สองอย่างที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนประกอบนะเป็นส่วนที่ช่วยเสริมเช่นการสวดมนต์การทาสมาธินะ คือแม้ม ก, การแผ่เมตตาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยพบความสงบเย็นไม่เบียดเบียนตนปล่อยให้ความโกรบความเกียคขอบงำช่วยทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มีความสุขโลกมันจะเป็นยังไงนะว่าแต่ใจเราก็แต่เราก็สง บ, บสันโดษได้แล้วก็เป็นประโยชน์คือว่าเออเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลผู้อื่นแะา้วสชื่อว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเรา ถ้าเราจับหลักนี้ได้เนี่ยนะคาว่าจิตวิญญาณใหม่นี่มันก็มันก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกที่นะมันไม่เป็นต้องต้อ ง, ต, องต้องอาศัยการนั่งในท่าที่ถูกต้องไม่เป็นต้องไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปใส่ใจกับพิธีกรรมการสวดให้มันให้ออก อ, ากาอักขายางถูกต้องหรือว่าการแต่งกายด้วยผ้าด้วยเสื้อขาวหงขาว ไอ้คนั้นมันเป็นเป็นรายละเอียดนะแต่หัวใจของมันเนี่ยมีแค่สองอย่างตอนนี้เนี่ยมามาถึงเรื่องวัดเนี่ยนะเราต้องมาว่าวัดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ที่จริงหน้าที่หลักของมันเลยตั้งแต่ไอแต่ละมาคือการการรักษาจิตวิญญาณสปิริตนะหรือภูมิปัญญาที่เราพูดสองประการเนี่ยรักษายังไงก็คือว่าหนึ่ง มีภูมิปัญญาที่เก็บสะสมมาผ่านคําสั่งสอนที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอาจจะมีการบันทึกไว้เป็นคมภีร์เป็นหนังสือแล้วเนี่ยวัดเนี่ยวัดก็จะมีก็จะมีห้องสมุดนะมีตู้พระไตรปิฎกนะเมื่อวานนี้เราก็ผ่านผ่านผ่า น, านใช่ไหมไปห้องสมุดวัดเนี่ยต้องมีสิ่งเนี้นะในวุสิสารต้องมีห้องสมุดหรือไม่ต้องมีตู้พระไตรปิฎกเพื่อเก็บภูมิปัญญา หรือความรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณสองอย่างเนี่ยนะอันหนึ่งที่ช่วยเก็บรักษาและถ่ายทอดจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นก็คือวัดปฏิบัติของพระนะลําพังแค่หนังสือหรือว่าตูุประเสริฐประดุจไม่พอมันต้องมีคนที่แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างของจิตวิญญาณแบบนั้นนะพระเนี่ยนะก็เป็นแบบอย่างนะให้คนได้เห็น แล้วถ้าท่านสอนเป็นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะสามประเพณีพิธีกรรมนะประเพณีพิธีกรรมก็เป็นเครื่องช่วยช่วยทําให้จิตวิญญาณเนี่ยสองสองความหมายเนี่ยนะมันถ่ายทอดสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นได้นะนเวลาคนมาวัดเนี่ยนะก็จะถึงแม้จะอ่านสื่อไม่ออกแต่ว่าก็เห็นพิติกรรมเห็นปฏิปฏปฏบัติของพระก็มีแบบอย่างหรือว่าพอเข้าสู่ กระบวนการของประเพณีพิธีกรรมเช่นบุญพระเวศเนี่ยอะพอบุญพระเวศเนี่ยนะคนไปก็เพื่อไปสนุกเนีแต่ว่าพอไปฟังพระแลพระเทพเลยเนี่ยมันก็ซึมซับเรื่องคุณธรรมพระเวทพระเวศสนดอนใช่ไหมเนี่นก็เป็นวิธีการซึมซับเอาจิตวิญญาณนะแต่คราวนี้เนี่ยอพอเป็สมัยใหม่เนี่ย ไอ้ว่าแบบนี้วัดที่เราพูดเนี่ยอาจจะอาจจะไม่เวืองกแล้วเพราะคนไม่ค่อยเข้าวัดนะแต่ว่าที่ที่ที่ที่ฮั้นแล้วก็พวนแล้วก็ดาโชติพมธรรมเนี่ยที่เล่าว่าที่นี่เป็นวัดเนี่ยทำไมว่าอ๊ะมันก็ตรงความหมายนะทั้งที่ไม่มีพระนะที่นี่ไม่ใช่ว่าจะหาพระง่ายนะสองรุ่นนั่นมาไกลนะโนดห้าสิบกสิบกิโลทำไมไม่เอาพระแถวนี้มันไม่ค่อยมีไงแลง้วทำไมเชื่อว่าที่นี่คงจะไม่มีพระที่เบตหรือพระแบบ ภูฐานมาอยู่นะแต่การแต่แต่ถ้าเราจับหลักว่าได้ได้ว่าวัดเนี่ยมันเป็นที่เก็บรักษาจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีพระก็เป็นวัดได้ถ้ามันทําหน้าที่เนี่ยนะมีกิจกรรมที่ช่วยทําให้ถ่ายทอดจิตวิญญาณในสองความหมายเนี่ยนะสงบเย็นเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เบียดเบียนตัวไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะหรือว่าสัมพันธ์กับตัวอย่างมีความสุขสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นนะมันก็เป็นวัดได้นะ เป็นวัดโดยที่ไม่มีพระอยู่ประจำนะอันนี้เป็นเป็นวัดสมัยใหม่ก็ได้คือเป็นวัดที่ทําหน้าที่เหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีมีรูปแบบเหมือนเมื่อก่อนและตมาคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะคือการการที่เราสามารถจะทําให้จิตวิญญาณแต่เรียกว่าเก่าหรือใหม่ก็ตามเนี่ยจิตวิญญาณเก่าก็แล้วแต่ว่ามาในรูปรักษ์ใหม่เนี่ยมันสามารถจะอยู่ได้ อันนี้เป็นปัญหาท้าทายของภูฐานด้วยแล้วของเมืองไทยด้วยนะของภูฐา น, นี่คือว่าทำยังไงนะเขาจะถึงแม้ว่ามันจะมีถนนนะมีมีมีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะมีเงินตราเข้ามาแต่ว่าจิตวิญญาแบบเดิมเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยในสองความหมายเนี่ยมันจะยังอยู่ได้นะโดยที่อาจจะไม่ต้องอาศัย ไม่ต้องอาศัยตำนานเรื่องราวเก่าๆนะเพราะต่อไปตำนานเรื่องราวเก่าๆเนี่ยนะคนก็จะไม่ค่อยเชื่อนะเช่นอคนวันนี้ยังเชื่อมากเลยนะเรื่องครูรูดลิโบเช่ขี่เสือมาเนี่ยเขาเชื่อเป็นตืคนเป็นตุเป็นตาแล้วว่ามันจริงอ่ะใช่ไหมแล้วที่มันเกิดครูรูดลิมโบเช่ที่นี่ก็ครูรูดลิมโบเช่นะของไทยไม่มีไม่มีตำนานแบบนี้มันไม่เหลือแล้ว เดีวนี้คนไทยกี่คนที่จะเชื่อว่าผู้จ้าเนี่ยเคยเสด็จมาประทับที่มาเหยียบที่สระบุรีอะ่ะใช่ไหมคนไทยที่ไม่เชื่อแล้วผู้จ้านี่ยเคยมาสระบุรีอะ่ะใช่ไหมผูเจ้าเคยไปที่อุรังก์นครมนมอะ่ะใช่ไหมคนไทยสมัยก่อนเชื่อว่าผู้จ้านี่เคยมาสระบุรีจึงประทับร้อยพระบาทใช่ไหมอันนี้มันเป็นตำนานเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวช่วยรักษาจิตวิญญาณแต่คนไทยที่ไม่เชื่อแล้วแต่ทําไงถึงแม้ไม่เชื่อเนี่ยแต่ว่าจิตวิญญาณแบบ จิตวิญญาณเนี่ยในสความหมายมันยังอยู่ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราทําให้สําเร็จใช่ไหมพอพอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เราก็เชื่อเรื่องเราก็กลับไปคิดเรื่องความสุขเกิดจากการที่เรามีวัตถุสิ่งเสพมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าต้องไปแข่งแข่งแย่งกับผู้อื่นเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเบียดเบียนตนบีดเบียนผู้อื่นสงบเย็นก็ไม่เจอเป็นประโยชน์ก็ไม่ใช่นะแต่พูทธานเนี่ย ถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยเขาไอตํานานแบบนี้เนี่ยมันหายไปเนี่ยจากจิตสํานึกคนเนี่ยซึ่งอาจารย์เราเชื่อคงจะนานเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเชื่ออังกฤษเลยนะมันเป็นส่วนของปรวัติศาสในตําราเนี่ยกํเาเนิดของพูทธานก็จะต้องมีเรื่องพวกนี้ในตําราเรียนมะีเรื่องพวกนี้นะซึ่งในบางทานไม่มีทางเลยนะทุกอย่างต้องต้องต้องมีหลักฐานใช่ไหมกุฎจ้าเนี่ยเคยมาป ร, รินิพานที่พระแท่นอะไะพระแท่นดวงลังอะ่ะเออ หลักฐานนี้ว่าไม่มีก็ไม่เชื่อ <c oughs> ใช่ไม้มอุซาวแวะมาแต่แต่คนคนผูธานอมาเขายังเชื่อนะถ้าถ้ามีเรื่องแบบนี้เขาเชื่อและคงอีกนานกว่าเขาจะไม่เชื่อนะแต่ว่าถึงแม้ไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันยังมีอยู่แบบที่พูดเนี่ยคือความความความอาตมาคิดถึงว่าความเป็นพุทธเนี่ยมันไม่เป็นหรือว่าแม้กระทั่งความเป็นไทยเนี่ยมันไม่เป็นต้องหมายว่าต้องมีเป็นความเป็นพุทธเนี่ยนะ แต่ถ้าเป็นวัดพุทธเนี่ยมันไม่เห็มันต้องมีมีอะไรโบตจดีพระพุทธรูปเขาเรียกว่าอะไรนะช่อฟ้าใบรักา<ม>ใช่ไห ม, มถึงแม้ไม่มีช่อฟ้าใบราักาแต่เราแต่ถ้ามันเก็บักเก็บรักษาจิตวิญญาณแบบพุทธได้เราเห็นเราก็ต้องเราก็รู้ น, นี่เป็นพระซึ่งแบบเหมือนกับญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นเนี่ยนะเราก็รู้เนาะวัดญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่เราไปไปเห็นไปเห็นของสินค้าญี่ปุ่นหลายแห่งเราก็รูวนเป็นของญี่ปุ่นทั้งที่ มันไม่มีความเป็นญี่ปุ่นแบบโบราณอยู่เลยของโูจิเนี่ยพอไปไปเห็นสินค้ามูจิเราก็รู้เลยว่าเญี่ปุ่นทำยังไงเลยใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันเก็บเพราะมันมันสามารถจะรักษาหรือมันสามารถจะถ่ายทอดจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นได้ใช่ไหมโดยที่ไม่มีไม่ ม, ไ ม, ม, ไ ม, มีไม่มีภาษาญี่ปุ่นไม่มีลวดลายแบบญี่ปุ่นแต่เรารู้ว่าไอ้นี่มันของญี่ปุ่นอย่างไงเลยวะใช่ไหมน้อยกระทั่งไอโ iPhone เนี่ยนะใช่ไหม แล้วของส่วนเนี่เนี่ยมันพื้นเพล่มก็มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมไอ้สไตล์ดีไซน์ของมันนะ่ะมันมาจากเซนใชไหมโฟนเนี่ยนะมันเรียบง่ายเนี่ยคือเพื่อคือว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะคือทํางานราจิตวิญญาณมันสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยพวกรูปแบบพิธีกรรมจังหวะไอ้ไม่ใช่จังหวะ ชอฟ้าเบลากาเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทาา้าทายจะเห็นเนี้ยก็อนุมาคุณพูดวัญญาณแล้วก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะว่าอพูดถึงจิตวิญ ญ, ญาณใหม่แล้วก็วัดใหม่เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งท้าทายที่เราต้องพยายามทำให้มันมีให้ได้นะโดยที่เราต้องไม่ต้องไปติด ก, กับของเดิมนะเพราะฉะนั้นอมาก็เห็นว่าเออถือว่าที่นี่เป็นวัดเนี่ยเอาม า, าโอเคนะถึงแม้ จะไม่มีพระอยู่หรือหาพระไม่ได้เนี่ยแต่แต่ใดที่มันยังถ่ายมันยังมันยังเก็บเก็บภูมิัญญาหรือจิตวิญญาและถ่ายทอดจิตวิญญาสู่คนรุ่นต่อไปเนี่ยมันก็ยังเป็นวัดได้เพราะนี่คือหน้าที่ของวัดเนี่ยนะสองคือ